พระธรรมเทศนาแผ่นที่102ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคาน้อยจังหวัดรอรธานีแสดงธรรมในวันที่14ธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าสิทธิจัตฉลาดเพราะมีปราดเป็นครูวันนี้เป็นวันที่ส4 ธันวาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระขึ้นส5บห้าค่เดือนหนึ่งวันนี้พวกเราได้ทำกิจกรรมตอนเช้าพี่น้องประชาชนเข้ามาทำบุญตักบาตรตะกตอนเที่ยงพระสงฆ์ก็หลงอุโบสถเพราะเป็นวันพระปฏิโมกพอตกตอนเย็นพวกเราก็ได้มารวม มาร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระตามที่เคยทำมาทุกวันพระแปดคำสิบห้าคำเพราะนั้นก็เป็นวันวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้มาพร้อมกันและก็พร้อมกันตอนน่อไปหลวงพ่อจะได้กล่าวกล่าวสัมมูธนิยกถาติพวกเรามาอยู่ด้วยกันมาอยู่มาศึกษาธรรมะ ฉากว่าไม่มีการพูดการกล่าวเสเลยแต่พวกเราก็คิดว่าภาพไม่พูดมากทําไม่พูดเสเลยคนดีบางทีบางคนก็ชอบหวังไปอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านไม่พูดไปอยู่แล้วก็เงียบสงบดีแต่ในแนวความคิดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่กร่ทืบจะฟังแต่หลวงพ่อในใจของหลวงพ่อ อาจจะท่านอาจจะได้รับความฉลาดในการไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านแม่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแต่สำหรับหลวงพ่อเองตั้งแต่บวชเป็นเนนน้อยมาจนสมัยเป็นเด็กเป็นเนนก็ได้รับการอบรมแนะนําสั่งสอนจากองหลวงปู่ล่าจากนั้นหลวงพ่อเองมาอยู่กับหลวงปู่จามท่านก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าววิธีกรรมวิธีการของท่าน จากนั้นมาอยู่องหลวงตาท่านก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเพราะนั้นหลวงพ่อเองมาอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วว่าเกิดใหญ่ขึ้นมาได้รับความรู้ความฉลาดจากครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเพราะนั้นหลวงพ่อเองมองไม่เห็นอย่างอื่นที่จ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดจะได้รับความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้นอกจากครูบาอาจารย์ จะเป็นผูแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแนแนวให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่ตามไม่จริงการไปอยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าว่าไปอยู่กับองค์ที่ท่านไม่พูดไม่กล่าวไม่แนะนําสั่งสอนใช่ไปอยู่แบบสบายๆแต่ถ้าว่าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ผู้มีปัญญาเนพูดอย่างงั้นได้ถ้ามีภูปัญญาเสียบแหลมเท่าไหร่เราเข้าไปอยู่ใกล้เราจะร้อนนะให้ใคล้ายว่าอึดอัด เผยเผยจะกัดจัดเข้าไปทางเครียดนั่นหละแต่ตามไม่จริงเมื่อเข้าไปหาท่านท่านแล้วต้องระวังต้องระวังแนวความคิดแล้วยแนระวังการเป็นอยู่ เ, เพอเผยท่านก็แฉ่งเอาจริงๆอ่งบางทีชี้นิ้วต่อหน้าสาธารณชนอีกต่างหากเพราะนั้นการอยู่กับครูบาอาจารย์ ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเนะ่ยเราต้อ ง, งระวังระวังการที่เราเว e i g ระวังนั่นแหะมันพร้อมไปด้วยปัญญาความพร้อมเตรียมความพร้อมต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็จะได้รู้วิธีการเอาเราจะดูว่ากากล่าวยังไงเราจะแนะนําสั่งสอนอย่างไรั น, นั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องนํามาประยุกต์ใช้ สำหรับให้เหมาะสมให้เหมาะสมกับการละเทศการสถานที่หรือว่าเกี่ยวกับของเราไม่ใช่ว่ากูบาอาจารย์ใช้มาตรการอย่างไรเราก็ใช้แบบมาตรการอย่างของท่านที่ท่านทำบางทีก็เกินไปเกินฐานะของเราเราในฐานะที่ยังไม่พร้อมที่จะใช้ในสถานะนั้นเรายังเป็นผู้น้อยอยู่ เราก็ต้อง อ, อ่อนน้อมถ่อมตนใช้ในระดับหนึ่งแต่พอใหญ่ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ตามขั้นตอนตามทีไ่ได้รับการอบรมศึกษามาอย่างไรอันนั้นวันต้องสรุปแล้วก็คือให้ใช้ปัญญาอีกเหมือนกันนะั่นะไม่ใช่ว่ากูบาอาจารย์เช่งยังไงเราก็อนนำมาเอาคำพูดของท่านมา ดุมาดามาว่ามากล่าวผลที่สุดมันเกินฐานะของตนเองที่จะพูดกล่าวอย่างนั้นอันนี้เราก็เคยเห็นมามากโตมากเอาแนวทางคับสอนของครูบ า, าอาจารย์เข้าทํานองโบราณท่านว่าเห็น้างขี่ขี่ตามช้างเนี่นแหละอันนี้ก็คือเกินฐานะของตนเองสิ่งเหล่านี้แหละทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แหละให้พวกเรา เข้ามาศึกษาแล้มาอยู่กับหลวงพ่อให้ให้ได้คิดนะแต่หลวงพ่อมองไม่เห็นอย่างอื่นที่อยู่กับครูบาอาจารย์ไม่แนะนาสั่งสอนบอกกล่าวหลวงพ่อก็มองไม่เห็นอีกเหมือนกันที่จะเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแววแห่งความฉลาดจะเกิดขึ้นที่ไม่ได้รับการแนะนาสั่งสอนถ้าหากว่า ถ้าว่าอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไม่พูดไม่กล่าวาที่จะได้รับการเฉลียวฉลาดนะพวกเราคนน่ะไปอยู่กับพระพุทธลูปก็ได้พระพุทธรูปยิ่งสยามภูรู้แจงโลกอีกต่างหากพอบวชเข้ามาแล้วก็ไปอยู่นั่งเฝ้าพระพุทธลูปนะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมเคารพไกเฝ้าพระพุทธลูก เ, เป็นของด้อยของล้าสมัยเมื่อไหรเป็นโมรมะคูสยามภูอีกทุกคนก็ต้อง ยอมรับกราบพระพุทธรลปแต่ว่าท่านไม่สอนนะแต่ท่านสอนไม่ยุ่สอนในตำรับตำราแล้วก็อ่านอ่านในตำรับตำรานั้นเพราะอ่านไปอ่านมากพ็พลใ้สุดก็นั่นแหละคุณเคยคุณเชื่องไปอีกอไม่รู้จะอยู่ไปยังไงอีกแต่เนี่ยเพราะอะไเพราะพระพุทธรลปท่านไม่ได้สอน มีแต่อ่านตำตำรับตำราเท่านั้นก็ไม่มั่นใจอีกต่างหากเนี่ยแหละสรุปแล้วก็คือต้องคู่บาอาจารย์ที่ท่านเคยผ่านผ่านการศึกษาผ่านการเรียนรู้ผ่านการประพุติปฏิบัติมาแล้วจากนั้นเราก็เข้าไปกราบไปศึกษากับท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมพูดเนี่ยนะที่หลวงพ่อพูดไม่ใช่ให้พวกท่านสยบกับหลวงพ่อมาเพื่อการศึกษาเรียนรู้กับหลวงพ่อ ไม่ไปที่ไหนอย่างไรไม่ได้คิดอย่างนั้นถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายใช้จติใช้ปัญญาใช้แนวความคิดของท่านพวกท่านเองว่าหลวงพ่อเองท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวนี่ยพวกท่านทั้งหลายฟังแล้วเป็นยังไงยอมรับได้ไหมถ้ายอมรับได้กมันเข้าในหลักธรรมคำสอนของพุทธรมไหมเข้าในทํานองทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไหม เข้าทํานองที่ว่าการปรพุทดปฏิบัติทั้งกิจตภาวนาสมถะและวิปัสนาเข้าในขายนั้นไหมยอมรับไหมอันนี้เขาไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกท่านทั้งหลายเองเพราะว่าการที่จะฟังสิ่งไหนก็ตามจากครูบาอาจารย์จากท่านผู้ใดก็ตามพวกเราก็จะต้องนำมาคิดอย่างที่ภาษารีบุที่พวกหลวงพ่อได้ยกแล้วยกกี่ าจารีบุตรที่สถาคดตรัตไปในพูดไปนี่เธอเชื่อไหมย่งอันนี้ให้พวกเราฟังเอาไว้เพราะอลายถ้าพวกเรานำไปคิดนำไปกานกรองไตร่ตรองด้วยเหตุและผลแล้ว เ, เราปฏิบัติดูแล้วเหตุผลได้มากน้อยเหตุผลมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันมีเหตุมีผลอยู่ในนั้นเสร็จ เ, เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะ ทั้งนี้ทางนั้นอันนี้หลวงพ่อบอกกล่าวผมเองบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายใยในการศึกษาใยในการเรียนรู้สนใจในการศึกษาตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดให้สำเนี๊ยบจะไปอยู่แบบเด่นเด่ น, ด, นด้านด้านแบบหลวงตะปูร่าธันปาเด่นเด่นด้านด้า น, า น, านอยู่ไม่คิดอยู่ไม่อ่าน อยู่ไม่ได้มองไปในอนาคตไม่ได้มองในอดีตไม่ได้มองในปัจจุบันอยู่แบบเรื่อยๆเปื่อยๆอย่างนั้นอยู่ไม่มีจุดหมายปลายทางอย่างนั้นแปลว่าถึงจะอยู่ไปนานสักเท่าไรมันก็เหมือนกับทับเพียแช่อยู่ในหม้อกแกงนั่นมันไม่เกิดประโยชน์ ปัญหขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่พูดทางนี้ทางนั้นที่ผมพูดผมแนะนํามิใช่ว่าผมจะให้ฟังแต่คาผมอย่างเดียวธรรมเทศนาขององค์หลวงตาที่สถานีวิทยุเสียงธรรมของพวกเราที่วัดของเราเกลางกลางคืนเราก็ต้องเปิดแล้วก็ฟังฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจ เ, เราจะไปเปิดเพลงฟังไม่ได้นะ าตาองค์ใดก็ตาถ้าผมรู้บอกเปิดเพลงเปิดลำร้องลำทำเพลงเปิดเสียงเพลงขึ้นมาแล้วเมื่ อ, อไรเมื่อนั้นละ่ะผมจะต้องเอาวิทยุเครื่องนั้นแขวนคอแล้วไล่ออกจากวัดทันทีพูดอย่างนั้นได้เลยนะพราบ่าผมให้ศึกษามานะเราเบื่อทั้งโลกมาพอแรงพอแรงแล้วนะเราจึงหันหน้าเข้ามาหาธรรมแล้วเราจะเอารโลกเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราได้อย่างไรมันไม่ใช่เรื่อง โลกอยังเอาเข้ามาขนาดศีลแปดก็ยังผิดแล้วที่จะรักษาศีลอุโบสถรักษาศีลแปดก็ยังผิดแล้วเราเป็นพระศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดมันจะไปใช้อย่างนั้นได้ยังไงฟังเอาไว้นะพวกพระนะองค์ไหนก็ตามนะถ้าได้ยินเสียงอย่างที่หลวงพ่อพูดยนะบอกมาองค์ไหนไม่ว่าพระน้อยผ้าใหม่ไม่ว่าผ้าเก่าผ้าใหม่หลวงพ่อจะจัดการโดยเด็ดขาด พอเราเข้ามาเราไม่ได้มามุ่งหวังอย่างอื่นนะมาที่นี่นะาการรับหมูรับเพื่อนก็เหมือนกันรับพระรับเนนก็เหมือนกันหลวงพ่อไม่ได้รับเพื่อปริมาณนะรับเพื่อคุณภาพต่อไปภายภาคหน้าพระลูกหลานเหล่านี้นะถ้าว่าผู้ใดใจผู้ใดสนใจฝ่ายธรรมะาจากนั้นก็นำไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายใจของตนเองเป็นพระที่ดี เป็นกฎเป็นเกณฑ์อยู่ในหลักพระธรรมวินัยถ้าว่าผู้ใดสนใจก็ได้ได้หลายองค์ถ้่าองค์ไหนไม่สนใจก็อย่างว่าลูกศิษย์ของลูกหาองหลวงตาที่ทั้งทั้งทั้งางที่ท่านเข้มงวดกวดขันไ่รล้กี่องค์เตกี่องค์ผลในสุดโพขึ้นมายังเหลือไม่กี่องค์มันยากเหลือเกินน ะ, ะการที่จะปลูกปลูกพระปลูกโพน Uh, พอปลูกขึ้นมาพอจะเป็นตัวเป็นตนเป็นเนื้อเป็นหนัง uh, แมงขี้ห้แมงตัวบุ้งตัวหนอนกินหมด uh, ตายหมด uh, ยังโผล่ขึ้นมาไม่เหลือไม่กี่หนอกี่ตนนี่แหละ uh, เห็นไหมในยุคของผมพระมีเท่าไหร่อยู่ก็องค์หลวงตาแล้วยังเหลือกี่องค์นี่แหละมันน้อยมากนะ ทั้งที่ท่านเข้มโหดขวดขันฟังดูแล้วมีแต่เรื่องธรรมะทั้งนั้นมีแต่ไฟสอนพระสอนพระสอนเนรผลในสุดผลออกมานี่แหละมันยากนะมันไม่ใช่ไม่ใช่ของง่ายๆแต่ถึงยังไงก็ตามผมก็เองก็มุ่งมั่นมุ่งหมายว่าถ้าวาผู้ใดก็ตามมีอุปนิสัย มีบุญวาสนาเก่าแก่ดั้งเดิมผู้ใฝ่ในการศึกษาใฝ่ในการเรียนรู้ใฝ่ในสนใจในประพฤติปฏิบัติธรรมผมเองก็คิดว่าองค์เช่นนั้นแหละจะเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่สอนไม่บอกไม่กล่าวใช่เลยเก็ไม่รู้จะองค์ไหนจะเป็นกฎเป็นเกณฑ์ขึ้นมาได้ถ้าว่าเราแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเออองค์ไหนเสียก็เสียไป แต่องค์ใดที่องค์ดีมีเจตนาดีมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจไหวไฝหเพื่อท้นผลทุก์ไฝวเพื่อการกุศล น, นั่นแหะเพื่อเอาชนะกิเลสภายในใจของตัวของเขาตรงท่านเองเอนั่นแหะเมื่อเขาเอาชนะใจของเขาได้ เ, เขาเป็นผู้ชนะต่อไปภายภาคหน้าเขาก็เป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็น ผู้นําแล้วเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาได้ในอนาคตนี่แหละอันนี้หลวงพ่อคิดอย่างนั้นเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกองคหลวงพ่อก็ไม่คิดอย่างนั้นเหมือนกันขนาดครูบาอาจารย์งองค์หลกตานี่ยท่านบอกว่าเราไหนยกย่ององค์ไหนไม่ได้จะยกย่องพระก็ตามยกย่องคนก็ตามเท่าองค์นี้เป็นอย่างนั้นเสียมดเถอนว่า มันแปลกมันกัร น, นะเราเนี่ยยกย่องใครไม่ได้เพราะนั้นองค์หลวงตาจึงไม่ไม่ยกย่องหลวงพ่อนะถ้าหากว่าเห็นหลวงพ่อเนี่ยถ้าเดินผ่านไปเห็นคนเนี่ยตาเกี่ยวปั๊บหลวงพ่อเองจะต้องหลบอยู่ทั้งหลังท่านไม่เคยย่องไม่เคยยกย่องเห็นไหมท่านมีแต่ยกย่ององค์อื่นๆแต่หลวงพ่อเนี่ยมีแต่ด่าตูกเดียวหลวงตาอนะแต่ถึงยังไงก็ตาม แต่ขั้นสุดท้ายเนี่ยท่านก็นยังให้คร อ, อบมอบความไว้บางใจให้พินักรรมพินัยกรมยกรมนี่แหละอันนี้ก็คืออะไรนี่แหละท่านรักษาสรุปแล้วก็คือท่านรักรักษาองค์ไหนจะเป็นอยังไงถ้าว่าจกจ่องมันเสียนะเราจะยกเขาเราเคยกยกจ่องจะเป็นโยมจะเป็นพระองค์ไหนก็ตามอพอกยกจ่องมันเหลิงเจ้ง่งมันลืมตัวนะนี่แหละ อันนี้ให้พวกเราฟังเอาไว้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ให้ต้งให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าลืมตัวอย่าหลงตัวอย่าลืมตัวสิ่งไหนที่ครูบาอาจารย์ห้ามแล้วนะอให้ระมัดระวังในจุดนั้นถ้าว่าคืดทําไปแลนะนะอย่าเขาอะไรขึ้นมาตัวเองเสียหายขายหน้าไปอีกต่างหากมันฟื้นตัวไม่ขึ้นนะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอันนี้ก็คือบอกกล่าวสำหรับเรื่องการเป็นอยู่หลักธรรมวินยัยแต่เรื่องจิตภาวนานั่ย น, น, นะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมากมายเรื่องจะทำจิตใจยังไงจึงจะสงบจิตใจจึงจะเป็นหนึ่งจิตใจจึงจะเป็นตัวของตัวนะแต่หลวงพ่อบอกได้เลยว่าพวกเราต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจ เรามาบวชมาทั้งทีในคราวนี้เราจะไม่มุ่งหวังอย่างอื่นเราหมุ่งมุ่งหวังความพ้นทุกเท่านั้นทาไงไหนคือข้าพเจ้าจึงจะพ้นทุกในวัฏฏะสงสารตั้งจิตธิฐานให้แน่วแน่ให้มั่นคงแต่ขนาดนั้นก็ยังทะเลทลายถ้าว่าจิตใจไม่มุ่งมั่นไปตั้งใจขนาดนั้นถ้าว่าจิตใจมุ่งมั่นตั้งใจแล้ ถึงจะภาวนาไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นก็ตามสงบหรือไม่สงบก็ตามข้าพเจ้าจะมอบกายถวายชีวิตไว้ในพระพุทธ ศ, ศาสนาเท่านั้นชีวิตนี้่ถ้าเราเราคิดอย่างนั้นนะต่อไปภายภาคหน้าไม่อีกวันไม่วันใดก็ตามวันหนึ่งมันต้องงอกเงยขึ้นมาได้เพราะเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความใส่ใจสนใจในการประพฤติปฏิบัติที่จะปรับปรุงกายใจของเราให้โดดเด่น ขึ้นมาแต่ถ้าว่าทำไปหลอๆหลายๆนี่ไม่ดานเดี๋ยวกิเลสเอาไปกินหมดถึงจะมีอายุพรรษาก็าเถอะพรรษานะั่นมันไม่ไม่มีความหมายอะไรละเพราะกิเลสมันอยู่ในหัวใจมันไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าพัรษากิเลสไม่ได้กลัวพรรษานะกลัวจะทำเท่านั้นแหละความคือสัตว์ความจัด ค, ความจริง สัจธรรมขันติธรรมเมตตาธรรมบารมีธรรมใครขว่าเอาหลักเหตุผลเข้ามาเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องประพฤติปฏิบัตินั่นแหละให้พวกเราตั้งอกตั้งใจนะเอาทำอะไรให้จริงจังและจริงใจให้ภาวนาอย่าไปคุกคีกับหมู่กับคณะอย่าไปคุกคีตีโมงกันเกินไปพูดทับ พูดจาพาทีกันเออพูดกันได้สนทนากันสนทนากันได้แอบเสวนากันทุกคนเราก็ต้องมีการเสวนากัน เ, เสวนาจะบาลานังบัณฑิตานั้นจะเสวนาอย่าไปคบอย่าไปสนทนากับภารชนคร ม, มาให้บันให้เสวนากับบัณฑิตนักปราชญ์ที่มูเพื่อพวกเพลินกันมีผู้สนใจ ในการศึกษาในการประพฤติธปฏิบัตินะ่ะนะเสวนากันถ้าคนไหนจิตใจละลาย อ, อแอนแยตายแหละไม่ตายแหละอยากจะศึกแต่ไม่ศึกแหลจะไปเข้าไปใกล้ถ้าเข้าไปใกล้นะี่อีกสักวันหน่งนะมันชักชวนกันไปเลยเสียหายหมดเพราะเหตุไรเพราะมันใจมันตกใจมันอ่อนแอแล้วออถามว่าผู้ใดเข้มแข็งเอาเถอะออผมเนี่ยนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะเกิดมาชาตินี้ทางโลกก็ผ่านมาแล้ว รู้มาแล้ว อ, อมันไม่ไม่ใช่สวรรค์วิมานหรอกเกิดมาเห็นไหมคนที่เกิดมาดูทั้งโลกนะเพื่อนเพื่อนฟุงฝุงพ่อแม่ผีน้องยาติโกโหติกาก็เห็นเห็นมาแล้ว อ, อมันมีอะไรดีเแต่บัดนี้เอาเถอะข้าพเจ้าเนี่แวกแนวสี่แนวออกมามอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มอบกายถวายชีวิตต่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า อย่างจริงจังและจริงใจข้าพเจ้าจะไม่ทําความชั่วสิ่งไหนที่มันชั่วแล้วข้าพเจ้าจะไม่ทําทําแต่สิ่งที่ดีถูกต้องเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นวินัยเท่านั้นตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวจะเดินตามทางแนวทางสายนี้เพราะทําคําสอนไม่ใช่แต่มีแต่เพียงหลวงพ่อนะให้ฟังธรรมเทศนาครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ที่ท่าน ผ่านไปแล้วหลวงปู่หลวงตามหาบัวหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เขาหลวงปู่ดุลหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่ชาหลวงปู่ล่าถึงปู่สิ้งทองล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางสำหรับพวกเราได้ศึกษาทั้งนั้นเพราะนั้นให้เราศึกษาศาสตร์องค์ไหนที่ถูกกับจริตของเราเราก็เดินตามแนวแถวที่ท่านพาดำเนินพาเดินนะอีกสักวันหนึ่ง เราก็ได้กดได้เกณฑ์จิตใจของเราเกาะติดนะเป็นสมาธิแล้วก็เดินทางวิปัสสนาจากนั้นใจของเราก็ก้าวกระโดดไปเรื่อยๆนะนะก็ถึงจุดหมายปลายทางนะพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะพระเนนทุกองค์นะให้ต้องตั้งใจภาวนาทั้องอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะตอนน่อไปฟังเทศชักกาอีกก็ได้นะ ฟังเครื่องกระป๋องลงพอยสักกันหนึ่งยังค่อยเลิกกันพวกเราเอานั่งคัดสมาธินะทีน่านะ